ปัธรมมิตตามัจจสูตรว่าด้วยการชักชวนมิตรอมารสูตรที่หนึ่งภิกษุทั้งหลายเธอทั้งหลายพึงอนุเคราะห์คนเหล่าใดและคนเหล่าใดจะเป็นมิตรอมารญาตสาโลหิตก็ตามให้ความสํำคัญคำที่ควรรับฟังเธอทั้งหลายพึงชักชวนคนเหล่านั้นให้ตั้งมัน่น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 พระอริยะชอบใจไม่ขาดเป็นไปเพื่อสมาธิภิกษุทั้งหลายเธอทั้งหลายพึงอนุเคราะห์คนเหล่าใดและคนเหล่าใดจะเป็นมิตรอมารญาติสาโลหิตก็ตามให้ความสำคัญคำที่ควรรับฟังเธอทั้งหลายพึงชักชวนคนเหล่านั้นให้ตั้งมัน่นให้ดำรงอยู่ในองค์เครื่องบรรลุโสดาสีประการนี้ ปะทมามิตตามาจัจจสูตรที่หกจบ